ทีนี้ไอระหว่างจากเกิดไปหาตายเหล่านี้เนี่ยนะถามาทั้งหมดที่ว่าก็คือขันห้านั่นเองนะสรุปประมวลประมวลที่ว่าก็คือขันห้าถ้ากล่าวในลักษณะนี้ชื่อว่าประกาศอันนี้จะลักษณะและทุกคลักษณะทีนี้เมื่อบอกว่าเออสิ่งเหล่านี้คือขันห้านะที่ดำเนินไปอย่างเนี้ยไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยอันนี้เท่ากับประกาศอนัตตลักษณะของสิ่งเหล่านี้แล้ว พอมันไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่ที่เป็นไปก็เนื่องด้วยปัจจัยทั้งหลายนั่นเองเพราะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสังคตะธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถามว่าเออเรารู้อย่างนี้ทำไมเราไม่พ้นทุกข์รู้อันนี้เนี่ยนะเป็นความรู้ที่ยังไม่ได้พอกพูนเลยรู้ลักแค่นี้เนี่ยนะไม่พอไม่เพียงพอเพื่อจะเบื่อหน่ายไม่เพียงพอเพื่อจะคลายกหนัด เมื่อไม่เพียงพอที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดมันจะหลุดพ้นไปได้อย่างไงแต่ถามว่าเอาเราไปถามดูนะคนที่ติดบุหรี่เนี่ยถามว่าเขาเขามีความสุขไหมล่ะในระหว่างที่เขาสูบเนี่ยถามว่าเขาเห็นโทษไหมเห็นจะเลิกไหมัมนก็ดีเหมือนกันนะนะนะขันห้าของเราเนี่ยนะเราติดยิ่งกว่า บ, บุหรี่หลายสิบเท่านักเพราะคนเลิกบุหรี่ให้เห็นเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมือง แต่คนที่ละความยึดถือในขันห้ามีแต่ผ้าละหันเพราะฉะนั้นเราติดขันห้าอันนี้มากกว่าบุรีหลายสิบเท่านะถามว่าทําไมเราจึงละขันห้าเลิกขันห้าไม่ได้ละ่ะเพราะเราไม่ได้เห็นเห็นโทษจริงๆคนที่เห็นโทษจริงๆก็จะเบื่อนายเมื่อเบื่อนายก็คลายกําหนัดคนที่คลายกําหนัดก็จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ขอให้เห็นโทษจริงๆของขันห้าเถอะถามว่าทําไมไม่เห็นโทษของขันห้าจริงๆ เพราะเราไม่ได้จับตาพิจารณาอาการของขันห้าให้มันถีถน่ทุ่นเะนี่ยนะเราไม่เคยเอาสิ่งเหล่านี้มานี่คืองานของเรานะงานของเราคืองานวิจัยขันห้าให้เพื่อเบื่อนายจากขันห้านี่แหละเพื่อคลายกำหนัดจากขันห้าแต่ถ้าเป็นพระสมัยแต่ก่อนเนี่ยนะเขาจะถามว่าเธอบวชทำไมจะบอกวบวชมาเพื่อกำหนดรู้ขันห้านี่แหละว่วางั้นนะ เพราะฉะนั้นมันเป็นอาชีพเลยคำว่า ง, งั้นสมัครมาทําอาชีพนี้โดยตรงเลยอาชีพวิจัยขันห้าเพื่อให้เบื่อน่ายเพื่อให้คลายกําหนัดจากขันห้าอันนั้นแหละเขาเรียกว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในขันห้าทีนี้ไอระหว่างการวิจัยขันห้าพิจารณาขันห้าเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดเนี่ยทายังไงบ้าง ชั้นต้นเลยนะเธอต้องละเลิกของแสลงก่อนนะนะของแสลงโรคนะของแสลงต่อการวิจัยคืออะไรบ้างความชุทุศีลทั้งหลายแหลความชั่วทั้งหลายแลในส่วนเหล่านั้ น, น, นเธอเว้นไปนะถ้าเป็นพระอัญญากรธัญญายังไม่สอนวินัยเลยใช่ไหมแต่พระท่านดีโดยโดยโด ย, โดยอัธยาสาัยอยู่แล้วศีลณ ะ, ะของท่านดีอยู่แล้วเนี่ยนะกุศลศีลท่านดีอยู่แล้วท่านเป็นคนที่รังเกียจ บ, บาปอยู่แล้วโดยอัธยาศัย เห็นเห็นโทษของกายทุจิจิตวจีทุติิตอยู่แล้วเขาเป็นคนดีจริงๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอในชั้นหลังพระพุทธเจ้าก็เลยสอนเฉพาะในส่วนของชีวิตหรือส่วนที่เรียกว่าขันห้าหรือว่าประกาศอริยสัจเขาก็ตรัสรู้ธรรมอยู่เลยแต่ของคนอื่นๆยุคหลังจากนั้นมาไม่ใช่อย่างนั้นแล้วหมู่พิกสูงหลายเมื่อหมู่คณะใหญ่ขึ้นกิเลสก็เกิดเหมือนกันลาบสการะเกิดมากขึ้นกิเลสก็กลุ่มรุมเนี่ยนะ เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเมื่อไหรกิเลส ก, ก็เล่นงานละเพราะฉะนั้นอาศัยหมู่คณะอาศวัฒนยธรรมเป็นต้นหลายๆเรื่องก็เกิดขึ้นพระองค์ก็เลยบัญญัติมาเป็นวินัยเพื่อให้ให้รักษาคุณภาพให้ได้เหมือนกับชุดเดิมที่เห็นโทษในวัด ต, ตะจริงๆอันนั้นชุดเดิมเดิมที่เขาบวชนี่เขาเห็นภายในวัด ต, ตะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาไปทําความชั่วมันไม่มีหลอกแต่คนที่มาแอบอิงท่านเหล่านั้นสิบวชเข้ามาแล้วอ่ะไม่ได้มีพฤติกรรม หรือว่าแนวความคิดแบบท่า น, าญญานทัญญากณธัญญะเป็นต้นมีมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่เรียกว่าเห็นภายในขันห้าเนี่ยนะเห็นภายในขันห้าเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยต้องบัญญัติวินัยขึ้นเนี่ยนะเพื่อที่คนทั้งหลายแม้แต่ถ้าเขาไม่ได้เบื่อหน่ายในขันห้ามาอยู่ในกรอบก็ชื่อว่าอยู่ในกรอบที่เรียกว่าปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในในขันห้าด้วยเนี่ยนพราะฉะนั้นในระหว่างนั้นเนี่ย ถ้าเป็นผู้คนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะพื้นฐานเห็นโทษของขันห้าเนี่ยเป็นปกติและอัธยาศัยแต่นึกๆไปนะทําไมพระพุทธ ศ, ศาสนาจึงมีที่อินเดียรู้ไหมมันน่าคิดออกที่อินเดียเนี่ยมันสุดยอดของคนมันก็อยู่ที่นั่นหมดแหละนะสุดยอดไม่ว่าจะโอ้ยกระจอกงอกง้อยสุดยอดก็อยู่ที่นั่นหมดนะดีสุดยอดก็อยู่ที่นั่นหมดมันให้เห็นค่าต่างที่สมบูรณ์แบบเลยบ่งงั้น าธาตกรรมกรหนูดำตีขาวจุวอะไรก็อยู่ที่นั่นหมดอะ่ะดีหมดอยู่ที่นั่นหมดรวยที่สุดก็อยู่นั่นจนที่สุดก็อยู่นั่นเขาเรียกว่าอะไรที่มันสุดๆอยู่นั่นหมดทำให้คนเนี่ยนะมองเห็นชีวิตได้อย่างตลอดสายเป็นอย่างดีถ้าเป็นเมืองไทยสมัยพุทธกาลนี่เขารียพวกมีลักษะพวกบ้านตาเมืองเขื่อนเขาแาบั้นพวก <c oughs> ไม่มีการศึกษาอะไรสักอย่าง นนะถ้าเป็นยุคสมัยพุทธกาลนะไทยจะมาโอ้ปัจจันชนนบดมางั้นนะอ่ะพอๆก็ไปที่ไหนก็ไม่รู้อนนะนี้มันก็พัฒนาดีขึ้นไปเยอะแล้วอนั้นคนสมัยก่อนหรือว่าคนที่สะสมอบรมบุญบารมีมาที่เรียกว่าเป็นกับๆเนี่ยนะเขาก็จะมีพื้นฐานมีอัธยาศัยที่เห็นภายในชีวิตลักษณะนี้ดีอยู่แล้วทีนี้เอ๊เขาไม่มีเรียกว่า ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงกับขันห้าอันนี้ได้ถูกต้องเพราะโดยมากคนที่พิจารณาขันห้ายางใดอย่างหนึ่งก็จะเอียงไปในทิศถีเนี่ยนะเอียงว่าเอ๊ถ้าหากว่าขันห้าเนี่ยนะเอ๊มันสมมติว่า10ปีแรกก็ไม่ถึงสิบปีที่สองสิปีที่สองก็ไม่ถึงิปีที่สามเป็นต้นเนี่ยนะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเออเดี๋ยวก็ตายดีไม่ดีเป็นอุเฉททิถ โอโ้ชีวิตเหล่านี้เนี่ยมีแต่ความทุกข์เหลือเกินตายซะได้ก็ดีให้เป็นพ้นจากทุกข์อันนี้ก็เลยทงอีกเหมือนกันเนี่ยนะมันก็ชีวิตพวกนี้อ่ะเลยทงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาสอนเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องปัจจัยเรื่องการดําเนินไปของชีวิต ต, ตามลักษณะของเหตุและปัจจัยยกตัวอย่างว่าชีวิตที่ดําเนินไปเนี่ยดำเนินไปทาวารไหนชีวิตเราเนี่ยนะก็มีอยู่6กทาวาร น, นี่แหละ ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละที่ดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยนะส่วนที่เป็นทวานใจก็ทำวิ ญ, ญััดออกมาเรียกว่าเป็นอิริยาบสียืนเดินนั่งนอนก็เนื่องจากไอ้ไอ้ทวานใจนั่นเองทวานใจนะที่ทำให้เกิดการยืนเดินนั่งนอนเพราะฉะนั้นชีวิตทั้งหมดก็สรุปแล้วก็ประมวลมาก็อยู่ที่ทวานหตาหูจมูกลิ้นกายและใจในส่วนทวานใจมาแยกเป็นทวานกายทวานวาจาอีกครั้งหนึ่ง <S ess y> ส่วนที่เป็นทวารใจนะบวกวาจากระบวกทวารกายที่ขยับเพี้ยนเคลื่อนไหวเข้าไปฉั้นชีวิตก็อยู่ในส่วนเท่านี้ทีนี้ในส่วนเท่านี้พระองค์ก็มาแยกให้เห็นว่าเออตาก็เกิดจากปัจจัยนะในส่วนของตาก็เกิดจากปัจจัยตานี้เกิดความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงก็จริงแต่ในส่วนของตาก็เกิดจากปัจจัยหูก็เป็นธรรมชที่เกิดจากปัจจัยจมูกก็เกิดจากปัจจัยลิ้นก็เกิดจากปัจจัยกายก็เกิดจากปัจจัย ปัจจัยใจก็เกิดจากปัจจัยอีกครั้งหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าชาติตุกขหรือช า, าติทุกนั่นนะถามว่าอะไรเกิดก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันเกิดขึ้นอ่ะเรียกว่าชาติอะไรชราก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันสุดโทมก็เรียกว่าชราเพราะฉะนั้นชาติชราตนี่นะก็ตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละใจนั่นแหละถามว่าตายอะไรตายอีกแหละ ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจผุพังไม่ในแหละเรียกว่าตายแต่สัตว์ทั้งหลายเขามีตาเน่ก่อนที่ตามันจะตายเนี่ยนะเขาทำกรรมใหม่เพื่อให้มีตาอื่นอีกแล้วเนี่ยนะเขามีหูก่อนที่หูอันนี้จะพังนะเขาทำกรรมเพื่อให้มีหูอันใหม่เบ็ดเสร็จแล้วเนขามีจมูกเขาก็ทำกรรมเพื่อให้มีจมูกอันใหม่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามีลิ้น เขาก็ทำกรรมเพื่อให้มีลิ Tokyo, ้นอันใหม่เร <uh ียบร้อยแล้วเขามีกายก็ทำกรรมเพื่อให้มีกายอันใหม่เรียบร้อยมีใจเขาทำกรรมเพื่อให้มีใจอันใหม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ไม่เที่ยงแต่ในระหว่างที่เขามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเขาทำกรรมเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกายตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เนี่ยที่มันดับเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากกรรมในอดีต มันหมดปัจจัยหรือว่าเนื่องจากความแตกทำลายของสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็ทำกรรมใหม่เพราะฉะนั้นปุถุชนคนทั่วไปโดยมากละตาอันนี้ก็ถือเอาตาอันใหม่ละหูอันนี้ก็ถือเอาหูอันใหม่ละจมูกอันนี้ก็ถือเอาจมูกอันใหม่ละลิ้นอันนี้ก็ถือเอาลิ้นอันใหม่ละกายอันนี้ก็ถือเอากายอันใหม่ละใจอันนี้ก็เพื่อเอาใจอันใหม่ถามว่าทาไมจึงเป็นอย่างนั้น เพราะปุถุชนเหล่านี้ไม่ได้เบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยไม่เคยเห็นโทษในตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเห็นโทษต่อเมื่ออกุศลวิบากให้ผลแต่ในระหว่างที่เป็นกุศลวิบากจะไม่ให้ผลเลยะจะไม่กลัวเลยถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเขาไม่รอบรู้เหตุเกิดและความดับของตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่รอบรู้อัาธาอาทีนวะของสิ่งเหล่านี้เขาไม่เคยทําปริญญาในสิ่งเหล่านี้เลยเมื่อไม่กําหนดรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ก็สแสวงหาทุกอันอื่นอีกทิ้งทุกอันนี้หาทุกอันใหม่ทิ้งทุกอันนี้ก็หาทุกอันใหม่ก็เป็นอย่างนี้อยู่ร่ําไปไม่มีจบมีสิ้นส่วนผู้ที่สะสมบุญมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะ ยกตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์เบื่อหน่ายในในชีวิตที่เป็นไปในลักษณะนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ถึงเขาสมมุติเรียกว่าพระเจ้าจากักรพรรดิก็ตามเขาจะเรียกว่าพระราชามหาสกษัตริย์ก็ตามเรียกว่าเสนาบดีอํามาตย์อะไรก็ตามเป็นคนรวยคนจนก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ก็คือกองทุกข์เท่านั้นเองถามว่าทำยังไงจึงจะพ้นจากกองทุกข์เหล่านี้ จึงจกพ้นจากกองทุกเหล่านี้นั่นคือคือทิศทางที่สุดของที่เรียกว่าพุทธศาสนาที่จะดำเนินไปสู่พุทธศาสนาพุทธศาสนาแปลว่าศาสนาของผู้ตรัสรู้อริยสัจทีนี้นเมื่อชีวิตคือตาหูจมูกลิ้นกายใจในส่วนที่เป็นไปในลักษณะ น, นี้เขาจึงเพียนเพ่งปฏิบัติไปรู้ว่าตาเนี่ยเป็นทุกขสัจนะเหตุที่ทาให้ตาเกิดนั่นแหละเป็นสมุทยัยสัจ ทำยังไงที่จะดับเหตุนะเพื่อไม่ให้มีตาอันใหม่อันนั้นเป็นนิโรธสัตว์ข้อปฏิบัติที่ว่าคืออะไรนั่นคือมักสัตว์เพราะฉะนั้นตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยนะจากขุจากขุสมุทยัยจากขุนิโรธจากขุนิโรธคามินีปฏิปทาโสตะโสตสมุทยัยโสตนิโรธโสตนิโรธะามินีปฏิปทาคาณนะคาณนะสมุทยัยคาณนะนิโรธคาณนะนิโรธคามินีปฏิปทา ชิวหาชิวหาสมุทัยชิวหานิโรธชิวหานิโรธค า, ามินีปฏิปทากายกายะสมุทัยกายะนิโรธกายะนิโรธคามินีปฏิปทามโนโมโนสมุทัยมโนนิโรธมโนนิโรธคามินีปฏิปทาอันตาหูจมูกเลนกายใจนั่นแหละคือตัวอุปาทานขันห้าเนี่ยนะในส่วนของใจเนี่ยนะแยกไปเป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี่สิ่งเหล่านี้ก็คือ ขันห้าสิ่งเหล่านี้เกิดเพราะปัจจัยเกิดถ้าจะหมดไปก็เพราะหมดปัจจัยอันข้อปฏิบัติเพื่อละปัจจัยสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นเป็นมรรคสัตว์ละเพรล ะ, ะนั้นก็จะเข้าถึงความเป็นผูธศาสนาก็จะในลักษณะที่เข้าไปแทงตลอดสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นอริยสัตว์แต่ปุถุชนทั้งหลายผู้ไม่ได้เห็นพาริยะผู้ไม่ฉลาดในพารยาไม่ไม่เห็นพาริยะไม่เห็นธรรมะของพาริยะไม่มีวินยัยไม่มีธรรมะ ของภาเรียก็จะสำคัญเหล่านี้ว่าเป็นของเที่ยงไปเป็นของสุกไปเป็นของมิเป็นอัตตาไปเ <_ c ười> มื่อเห็นสิ่งเหล่านี้โดยของเที่ยงเป็นสุกเป็นอัตตาก็จะหมกมุ่นอยู่ในสิ่งเหล่านี้ไอความหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้ก็เกิดความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้เมื่อเพลิดเพลินเกิดอะไรเกิดเมื่อเพลิดเพลินเกิดได้ก่อเหตุแห่งวัตถุทุกเรียบร้อยแล้ว เมื่อความเพลิดเพลินเกิดความยึดถือก็บังเกิดเมื่อยึดถือเกิดก็ทํากรรมเมื่อทํากรรมก็เพื่อให้มีเสงี่เหล่านี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวตามว่าชิราภิกสูรีก็กล่าวว่าความจริงทุกเท่านั้นแหละเกิดขึ้นว่างั้นมีแต่กองทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นแหละที่เป็นไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปว่างั้นมีแต่กองทุกร้นวนๆที่เป็นไปในลักษณะนี้ถามว่า พูดลักษณะนี้เป็นทุกขนิยมใช่ไหมเขาต้องการสุขมากกว่านี้อพระพุทธเจ้าต้องต้องการให้สัตว์เนี่ยนะเข้าถึงสุขสุดยอดจริงๆที่เรียกว่าประมังสุขขังเลยว่างั้นเถอะอาบรมสุขเลยเอกันตสุขสุขโดยส่วนเดียวอ่ะพไม่ใช่ว่าเห็นไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีสุขอยู่เห็นแต่ถ้าผู้ใดยังติดในสุขแบบนี้นะจะไม่ได้สุขชั้นสูง พงษ์ตัดไว้ยังงี้นะเออถ้าหากว่าผู้ใดยินดียังมีความสุขในการพูดในการคุยในการคลุกคลีไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่เขาจะได้เนคขำ ม, มาสุขนีนะนะไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะได้เนคขำ ม, มาสุขเพราะฉะนั้นต้องเห็นโทษของสุขในการคลุกคลีก่อนเธอจึงจะได้สุขที่ประณิชชั้นสูงขึ้นไปทีนี้ถ้าหากว่าเธอยังยินดีในสุขที่เกิดจากอุปาทานเธอก็ไม่พ้นจากทุกนะ เพราะฉะนั้นมันมีสุขที่ยิ่งกว่านั้นอีกเนี่ยนะรพระั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ประโยชน์เนี่ยนะบอกว่าคนสมัยก่อนเขาเข้าไปหาพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์แสดงธรรมแสดงเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าถึงประโยชน์ให้เข้าถึงความสุขที่สุดเหมืนนเถอะเขาต้องการเอกันตสุขอะเนี่ยนะเขาต้องการเอกันตสุขเพราะฉะนั้นเขาจึงมองสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเพื่อที่จะได้เอาสุขในชั้นสูงต่อไป ก็วันนี้เป็นวันหนึ่งที่การแสดงพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมบัติทับใจผมมาก <c oughs> ผมมีความซาบซึ้งมากเพราะว่าเข้าใจชีวิตตลอดนะฮะ เ, เมื่อกี้นี้นะฮะท่านท่านท่านเว้นไม่หน่อยนะฮะอยากจะให้ท่านเพิ่มเติมหน่อยคือว่าท่านบอกว่าอุ ป, ปาทานขันธ์ห้าเนี่ยนะฮะ มันเป็นตัวทุกแล้วเราจะต้องรอบรู้มันและผู้ที่จะไปรอบรู้ได้เนี่ยต้องมีคุณคุณสมบัติประการแรกคือต้องมีศีลดีนะแสดงว่าผู้ที่จะไปวิจัยจะไปวิเคราะห์ไปรอบรู้ในอุปาทานขันห้านั้นเนี่ยจะต้องไปวิจัยด้วยจิตที่เป็นกุศลแน่นอนต้องเอาจิตที่เป็นกุศลเข้าไปวิจัยสิ่งเหล่านี้ จะเอาจิตที่เป็นอกุศลไปวิจัยไม่ได้แน่นอนผมเชื่อนะและต้องเป็นจิตที่เป็นกุศลและประกอบด้วยปัญญาด้วยตอนนี้ <c oughs> ท่านบอกเริ่มต้นด้วยฐานพื้นฐานสุดเลยจําเป็นมากเลยที่จะไปวิจัยเรื่องนี้นั่นคือศีลบริสุทธิ์นะครับเป็นศีลที่บริสุทธิ์ตอนนี้ผมก็ยังอยากจะเห็นว่าอยากจะทราบว่าไอ้จิตแค่ศีลบริสุทธิ์เนี่ยเพียงพอไหมที่จะมีคุณสมบัติ เอาไปวิจัยเรื่องทุกข์ษัตริย์อันนี้เรื่องจิตตะมีเข้ามาเกี่ยวข้งองยังไงบ้างครับคือในระหว่างเนี่ยนะถ้าหากว่ามีความเข้าใจในอุปาทานขันห้าเป็นอย่างดีเนี่ยนะการที่เรารักษาศีลก็เหมือนกับหลีกเลี่ยงของแสลงนั่นเองนะอ่าเหมือนกับหลีกเลี่ยงของแสลงอาหารที่มีโทษต่ อ, ต, อต่อการรักษาเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่ามัวแต่ทุศีลอยู่เนี่ยไม่ต้องวิจัยแล้วลองไปหลอกใครไว้สักคนหนึ่งเหอะ เดี๋ยวเขามาเอาคืนมัางไม่ต้องวิจัยแล้วขันท่านะมัวแต่แก้ต่างนั่นแหละนะถ้าไปด่าใครไว้สักคนหนึ่งอะนะเดี๋ยวเข้ามาเอาคืนแล้วไม่ต้องแล้วขันท่านะเพีงละเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยทำให้หนึ่งตัวเองติเตียนตัวเองไม่ได้ผู้อื่นติเตียนไม่ได้นะนะแล้วไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่มีศีลดีที่สุดเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเขาบอกเอาว่าเขาตัวเขาติเตียนตัวเองไม่ได้หนึ่ง สองไม่มีใครตําหนิเขาได้นั่นแหละเรียกคนศีลดีอวินยูชนนะคนที่คนอื่นตําหนิไม่ได้คือวินยูชนติเขาไม่ได้ตัวเขาเองก็ไม่นึกตําหนิตัวเขาเองเลยเขาดีจนที่เรียกว่ากราบตัวเองได้อ่ะเมื่อ น, นั้นแหละเขาจึงจะพอใจในศีลดีของเข า, เาทีนี้ถามว่าในระหว่างนี้จิตตักสิกามีความจําเป็นไหมถ้าโดยพื้นฐานเขาเป็นคนราคะจริตติดในขันห้าเหล่านี้โดยราคะจริตเขา คือในระหว่างการวิจัยเนี่ยนะถ้าจิตมีนิวรณ์หรือมีอาวรณ์ว่าันเถอะถ้ามีนิวรณ์หรือมีอาวรณ์ในสิ่งเหล่านี้วิจัยในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าพื้นฐานเขาเป็นคนหมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้ด้วยราคาตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยนะแยกออกมาเป็นสายอสุภะให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของปฏิกูลเป็นต้นเนี่ยนะ นี่คือสายจิตตสิกขาประเภทอสุภะกรรมฐานถ้าบางคนเนี่ยนะเป็นคนที่เครียดแค้นชิงชังมีโทสะในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละบัญญัติว่าเป็นศักว์ทั้งหลายก็พระ อ, องค์สอนให้เจริญเมตตาเนี่ยนะให้เจริญเมตตาแต่ถ้าหากว่ายึดติดในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ยึดติดมากนะักเกลียดชิงชังในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยชิงชังแต่ไม่ค่อยขยันไงทาไมจึงเป็นอย่างนั้น พระ อ, องค์บอกว่าเอาอย่างนี้นะเธอเจริญอนุสติก็แล้วกันนะเจริญพุทธคุณเจริญธรรมคุณเจริญสังฆคุณเจริญคุณของพระรัตนตรายให้มากๆพระรัตนตรายก็จะทำให้เธอเบาเธอโล่งเธอโปร่งก็จะเจริญกุศลธรรมเหล่านี้นะเน่นะนะเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์บอกว่าเออเมื่อได้จิตของอริยาสาวก เนี่ยนะตามระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตในขณะนั้นก็ไม่เป็นโโลภะโทสะและโมหะเมื่อเจริญธรรมคุณเจริญสังขคุณเป็นต้นจิตก็ไม่เป็นปายกับโลภะโทสะโมหะขณะนั้นก็จะทําให้เกิดปีติและเกิดปราโมทปีติปราโมทเหล่านั้นเป็นพื้นฐานเป็นอุปนิสัยที่สําคัญมากต่อการเจริญขึ้นแห่งปัญญาปัญญาก็จะเริ่มไข้ครวนในสิ่งเหล่านั้นเอ๊้ามันท้อแท้อีกก็เจริญคุณเหล่านี้อีกใหม่ พระถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเราจัดสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าสารรเสริญที่ไหน <_ d> um> ก็รู้จักขันห้านี่แหละมาสารรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเ <_ d> um> ช่นผู้ที่ยึดติดในขันห้าผู้ที่มีกิเลสในขันห้าไม่เชื่อว่าเป็นผ้าอรหรันผ้าอรหันไม่มีกิเลสในขันห้านี่คืออรหันอย่างที่หนึ่งสองผ้ารหันเนี่ยนะกำจัดกิเลสในขันห้าหมดแล้วสามะ้าอรหันเนี่ยนะต้นเหตุแห่งความเป็นไปของขันห้าผ้าอรหันกําจัดหมดแล้ว เพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นขันห้าที่ควรบูชาจริงๆและเนี่ยนะแล้วในขันห้าของพระอรหันต์นในส่วนที่เป็นนามขันไม่มีอากุศลแทรกอยู่ในนั้นเลยแล้วเป็นพาาระอรหันต์ก็คือรอบรู้ในขันห้าทมกิจในขันห้าอย่างบริบูรณ์อันนี้ก็คืออรหรันต์อันพระอรหันต์เนี่ยแบ่งแยกมาเป็นในส่วนคุณสมบัติต่างๆท่านก็เป็นผู้มีศีล อันมีอินทรีส ak ังวรมีชาคริยานิยมีโพชเนมตันยุตามีสติมีวิริยะก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ในส่วนของขันนั่นแหละเน่นะเพราะฉะนั้นท่านก็จะเจริญอธิจิตติสิกขาในระหว่างการวิจัยเนี่ยวิจัยขันห้าเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขันห้าเนี่ยนะเป็นที่รองรับในการเจริญพรหมิหารก็ได้ที่เรียกว่าขันห้านี่แหละอาศัยขันห้าบัญญัติว่าเป็นศัก์ เพราะฉะนั้นก็เจริญเมตตาตรงนั้นได้เนี่ยนะเจริญพรหมวิหารในขันท่านั่นแหละแล้วก็หรือว่าเจริญอสุภะก็ขันท่านั่นแหละหรือว่าเจริญอนุสติก็เกี่ยวเนื่องในขันท่าอีกนั่นแหละนี่ยนะ